การมุทนาสุขการในท่านประชาชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องกระถาวัตถุสูตรวันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องกระถาวัตถุสูตรเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาต่างกันวันก่อนเป็นการพูดถึงกลุ่มข้อความที่บุคคลควรพูด ตัวหมายความว่าพูดไปแล้วเนี่ยกิเลสก็จะลดน้อยถอยลงเวทธรมะจะเพิ่มพูดมา ก, กิ่งขึ้นเรียกว่าเรื่องที่เชิญชวนให้เกิดความมักน้อยเชิญชวนให้เกิดความส ง, งัดเชิญชวนให้ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะเชิญชวนให้ปราโรคความเพียน แห้ช่วนในสันโดษให้ช่วนให้ตรวจสอบฝ้นสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานัสสัสนะก็ที่จริงแล้วก็เป็นทั้งคุณธรรมเป็นทั้งสิ่งที่จะน้อมนำกระตุ้นเตือนจิตใจของบุคคลให้เพื่อพูลความดีส่วนนั้นนันขึ้นแต่ในที่นี้เป็นการพูดถึงกลุ่มคน จะต้องแสดงว่าบุคคลใดก็ตามที่เราคุยด้วยเราพูดด้วยเนี่ยหรือถ้าหากว่าไม่สามารถพูดให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่นำมาพูดสีประการก็ไม่ควรจะพูด เรื่องสี่ประการนั้นประการแรกจะเรียกว่าเอกังสะพยากรคือเรื่องที่ควรจะพูดไปโดยนายเดียวหรือในยะเดียวจะเป็นการยืนยันหรือเป็นการปฏิเสธก็ต่างแม้ความในกรณีเช่นนั้นจะต้องมีการยืนยันหรือหรือว่าปฏิเสธเราไปตามต้องควรแก่ฑ์กรณี ก็เป็นแนวแนวคล้ายๆกับเรื่องสัจจะหมาความว่าถ้าได้เห็นเราก็ยืนยันว่าเห็นได้ยินก็ยืนยันว่าได้ยินไปทราบก็ยืนยันว่าทราบได้รู้ก็ยืนยันว่ารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ทราบไม่ได้รู้ก็ปฏิเสธเป็นแนวการสอนการเทศการแสดงของรธธพระพุทธเจ้าจะโนจะพบว่า ในนี้บางทีก็พูดกระจายโ้ยทั่วไปได้นะฮะเช่นเราพูดว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการประทราศ์อันนี้ยืนยันได้ยืนยันได้ตลอดไปแต่ว่าเราจะไปใช้คำมันเกินเกินเกินไม่ได้ใช่ว่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าแก่เท่ากันนะแก่เหมือนกัน ก, ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะจริงๆวัยเท่ากันแต่เราก็แก่ไม่เหมือนกันหรือแก่ไม่เท่ากันความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายผ่านการเวลามาเท่ากันจริงแต่สภาพร่างกายก็ไม่เหมือนกันเราก็ยืนยันเท่าที่ยืนยันหรือการพูดด่แนวจะเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ ตอนตปูเป็นอนัตตาก็นี้ถือว่ายืนยันแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะต้องระมัดระวั ง, งนะฮะจะต้องระมัดระวังเ อ, อสมมุติว่าเราจะพูดเรื่องอนัตตาเนี่ยอนัตตามันคลุมอนัตตามันคลุมไปทั้งหมด แต่นิจังทุกขังมันไม่ครุมหมดวันทีพูดบางทีท่านก็บีบบีบสิ่งที่เราพูดไว้เจราพูดว่าขันมะหาเป็นนิจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานี่ก็แสดงว่าเป็นการยืนยันไปโดยส่วนเดียว แม้แต่การพูดเรื่องทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยกําใดใครก่อวนนั้นรับผลกําไปกนณีถือว่าเป็นในกังสาพยากรยืนดันไปโดยส่วนเดียวให้ลองให้ลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องมันมันมันมันไปไปบังคับไม่ได้นะฮะเช่นว่าเราเราจะพูดว่า คนทำชั่วในขณะนี้ตายไปต้องตกนรกด้วยความชั่วนี้มันมันมันไปบังคับเกินไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะดับจิตเนี่ยมันจิตมันเปลี่ยนแปลงได้คนที่ทำชั่วอยู่ในขณะนี้ก็กลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงไปแล้วก่อนดับจิตจิตก็สงบเขก็ไม่ตกนรกได้ส่วนกรรมชั่วนั้นก็ยกยอดไปให้ในโอกาสต่อไป แต่ที่แน่นอนที่สุดคือกรรมชั่วให้ผลเป็นความทุกข์แต่ให้เมื่อไรมันอีกเรื่องหนึ่งกรรมดีให้ผลเป็นความสุขเ่าเป็นไปไม่ได้จึงคนที่ทำความชั่วแล้วจะรับความสุขความเจริญเพราะผลของการทำชั่วแต่เราไม่ได้รู้สึกปฏิเสธความสุขความเจริญของคนชั่วนะฮะเพราะว่าคนเราไม่ได้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ อ, อาจจะประสบความสุขความเจริญได้แต่ก็ โดยผลก็การทำกรรมอื่นไม่ใช่กรรมนั้นหรือถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดเจนในแนวของการปริเสธก็เหมือนกันปริเสธไปโดยส่วนเดียวเป็นการยืนยันในจุดนั้นๆแต่ว่าความยืนยันจะต้องจะต้องรับผิดชอบหน่อยส่วนมากแล้วเรา เราลืมเราลืมนึกนึกถึงนึกถึงในจุดถึงเดิมเจ็ดบางทีก็โกรธคนภาคใดภาคหนึ่งโกรธโกรธคนในที่ใดที่หนึ่งขึ้นมาสักคนแล้วก็เหมาหมดเลยคนภาคนั้นไม่ดีคนชาตินั้นไม่ดีคนบ้านนั้นไม่ดีมันยืนยันผิดที่จริงแล้วก็เราพูดเป็นปัจเจกะแต่เราไปยืนยันเป็นเป็นกลุ่มคน แต่ถือว่าขาดความรับผิดชอบต่สิ่งที่เรายืนยันไปก็ปรากฏว่าไม่ได้เป็นตามความเป็นจริงตรงนี้ท่านตัา ง, งหลายจะเห็นว่ามันก็ต้องอาศัยความรอบรู้ในเรื่องที่เรานำมาพูดแล้วก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงที่เรามองเห็นได้ทุกแง่ทุกผมแต่เราไม่แน่ใจเราไม่ว่านใจเราก็ไม่พูดมันก็จบ ที่ยุ่งก็คือว่าที่ท่านบอกว่าไม่รู้แล้วก็ชี้เนี่ยพวกไม่รู้แล้วก็ชี้หรือว่าพวกรู้แต่ไม่ยอมชี้มันก็มีปัญหาอยู่สองกลุมพวกไม่รู้แต่ไปชี้ข้าวมันก็ผิดพวกรู้แต่ไม่ยอมชี้ไอ้เรื่องที่ควร คนจะท ร, ทราบทราบทราบความจริงก็ทราบไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมเชืแนวคําสอนพระพุทธเจ้าจะมีแนวนี้อยู่แต่เห็นว่าแนวแนวโครงสร้างหลักเนี่ยจะใช้แนวนี้เวลาพูดถึงเรื่องอริยสัจสมมุติอริยสัจเนี่ยเห็นว่าทําอย่างนั้นเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้ แสดงไวายืนยันนะทำอย่างนั้นท่านั่นทานอย่างอื่นไม่ได้เช่นกลุ่มก้องทุกขกษัตริย์นะเกิดแก่ตายความพราดพาดสูญเสียอะไรตา่างๆทาใจให้ยอมรับความจริงไว้เท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้เรลาจะเกิดลกความแก่ความเจ็บความตายเราก็ละไม่ได้เราก็ดับมันไม่ได้มันเกิดแล้วนะเราดับมันไม่ได้คือทาอย่างอื่นไม่ได้ ทำยอย่างอื่นแล้วจะสร้างปัญหาแต่ถ้าเราทำใจยอมรับความจริงแล้วเนี่ยสามารถปรับใจได้เวลามันเกิดอะไรขึ้นมาก็าตามที่เราเตรียมใจไว้แล้วหรือพวกกิเลสอย่างนี้พวกกิเลสทรงสอนให้ลดละโดยส่วนเดียวไปเพิ่มขึ้นมาไม่ได้หรือไปกำหนดรู้เฉยๆไม่ได้ ค่อมาแก้ปัญหาไม่ได้แต่เรากําหนดรู้เฉยๆในทรงสอนให้ละเป็นการยืนยันโดยส่วนเดียวทยางงําอย่างหยุดไม่ได้มาผลผานิพพานหรือผลสูงสุดที่เราเรียกรวมรวมว่ามนุษยธัติสวรรคธรรมปฏิปานสมบัติก็ต้องตั้งเป็นเป้เปาเราตั้งเป็นเป้เปาไว้อย่างเดียวจะออขอบวงสวงอ่อนวอนขอร้องการประสิทธิประสากนการดนลอะไรก็ไม่ได้ มันเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องศึกษาหลักการวิธีการเพื่อจะดําเนินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการบงสงคนบ่ขอร้องด้วยการประสิทธิ์ประสัดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างผู้กุศลธรรมั้องปวงก็ยืนยันว่าต้องปฏิบัติโดยส่วนเดียวทําอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกันก็มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า เราทําได้สองอย่างแล้วผลก็เกิดมาความศึกษาแล้วปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลจะต้องเกิดเพราะเวลาท่านเรียงเนี่ยท่านท่านเรียงเราเห็นไว้เลยสามระดับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัตก็คือนํามาศึกษาปฏิบัติก็คือน้อมนํามาปฏิบัติปฏิเวทมันก็เกิดเกิดตามอะไรก็เกิดตามที่เราปฏิบัติแต่ในการบฏิบัติก็มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติไม่ผิด ถ้าไปบัตรผิดกลุ่มอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยฮะเช่นไปไปละทุก์ละทุกโดยการผูกกตายโดยการฆ่าตัวตายกินาตายจะสร้างปัญหาใหญ่ใหญนี่คือแนวที่เรียกว่าเอกังสะหมายความว่าเรื่องควรจะยืนยันโดยส่วนเดียวแล้วกล่าวยืนยันหรือปฏิเสธก็ปฏิเสธยืนยันก็ยืนยัน แต่ต้องเป็นเกิดขึ้นจากความรู้เห็นตามความเป็นจริงนะไม่จะยืนยันปฏิเสธแบบลมเพลลมพัดแบบตามเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้สร้างปัญหากันใหญ่อีกแนวหนึ่งต้องใช้คำว่าเรื่องที่ควรจะจำแนกคือแบ่งแยกตอบให้ชัดเจน ก็ต้องแบ่งแยกต่ออย่างสมมตุติว่าพระต้องอับบัต์สมมติกสติว่าพระต้องอับบัต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอับัตเนี่ยอับัต์บางอย่างเนี่ยมันมันมันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปานติวัชชะมื่ก็ยมรักษาสินแปดและกินข้าวเย็นเนี่ยนะฮะกินข้าวเย็นไม่ได้บาปอะไร ห, หรอกถ้าบาปคนก็ตกนรกหมดแล้วแหะ แต่มันบาสมัคมาคนที่ตั้งสัตยาทิฏฐานในสัจจะปฏิญาณว่าจะไม่กินขยนมันผิดสัจจะตามไม่เสียทั้งศีลทั้งสัต์เป็นสมัครคนกลุ่มนั้นท่านนั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องสากลแต่ผิดก็เรื่องการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การระพฤติ ผ, ผิดทางกามการผู้เทศอ้นี้สากลเนี่ยนะฮะสากลซึ่งหมายความมันจะเป็นพระหรือธวา่าก็ ก็บาปด้กันก็บาปได้กันแล้วก็เป็นเหตุตกอบายด้ยกันแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของพระเป็นวินัยของพระอย่างกินข้าเย็นหรืออะไรตรงนี้ฮะที่ที่ที่เป็นวินัยของพระเนี่ยถ้ดงอาบบัดก็จบหรือว่าบางอย่างซึกมาก็จบ ก็าจบที่ศึกนะฮะจบที่ศึกอย่าเป็นพระอยู่ก็แล้วกันถ้าเป็นพระอยู่แล้วจะต้องรับโทษหล่นั้นแต่ถ้าศึกมันก็จบเขเรียกปัณติวัชชะมันมีโทษในแง่ที่เป็นบทบัญญัติของหมู่คณะนั้นๆท่านังคล้ายๆวินัยทหารคล้า ย, ายวินยัยทหารในทหารก็ผิดวินยัยทางราชการก็ให้ออกจากทหารแต่ไม่ต้องติดคุก ก, กันนะฮะเพราะมันมันเป็นเรื่องวินัยทหาร บางข้อไม่ใช่ทุกข้อ ม, ม, มันจะแบ่งเป็นสองข้อสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าโลกวัชชาโลกวัชชานั้นชาวบ้านแบบนี้ออกมาพูดผิดหนังสือพงศหรือพ่มพ์อามาพูดผิ ด, าา ด, ผดโลกวัชชะหมายความว่าชาวบ้านหรือพระธ ร, รมผิดเหมือนกันอันนี้เรียกว่าโลกวัชชะแต่ถ้าปนันนติวัชชะมันจะผิดเฉพาะกลุ่มคนนั้นเท่านั้น จึงกินก็เย็นอนื่องด้วว่านะฮะก็ผิดเฉพาะพระเฉพาะคนรส า, าสีนแปดขึ้นไปเท่านั้นเองคนอื่นก็ไม่ได้ผิดอะไรทีนี้เมื่อมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรไว้ว่าจะทำยังไงบริสุทธิ์ก็ทำแต่ทำได้ก็จบเรียกว่าจำแนกแบ่งแยกออกไปให้ชัดเจน แบ่งแยกคนแบ่งแยกการกระทำแบ่งแยกสถานที่ที่กระทำคือชี้ประเด็นนั้นๆได้อย่างชัดเจนไม่ทําอะไรในลักษณะเหมาแต่คนส่วนใหญ่จะเหมาแล้วกันเป็นการเหมาที่ค่อนข้นางแปลกจะนึกไว้ออกมอนกันนะฮะว่าว่าทำไมจึงเหมาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตุความความคิดสังคมหนูก็เป็นกบมันอย่างนั้นเองเราดูมนตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นเลยนะ ก็แสดงว่าคนก็เป็นอย่างนั้นเองเวลามองการกระทําชั่วของคนอื่นมันจะเหมารวบนะฮะจะพูดรวบแต่ทําทําความดีนั้นจะพูดแยกที่จริงถ้าหลักของกรรมแล้วนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนะั้น เราดูเรื่องการกินอาหารเรื่องการอะไรเกิดกรารสูดอากาศสูดควันพิษอะไรแต่ไหจะเห็นได้ชัดเจนว่าที่จริงเป็นเรื่องเฉพาะคนนะั้นใครกินอาหารที่เป็นพิษคนนั้นก็รับผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเฉพาะตัวเขาเองไม่ใช่คนอื่นจะต้องจะต้องรับโทษไปด้วยแต่ว่าลักษณะทางสังคมเนี่ยค่ะการแบ่งแจกแต่มักจะเหมา มักจะมาะโหรเป็นเวลาพูดถึงพระดีจะพูดเพียงองค์เดียวหลวงปู่แหวนดีก็หลวงปู่แหวนองเดียวอาจารย์นหนูเลยยันแย่ไปเลยทั้งๆที่ท่านดีคนเดียวไม่ได้มันต้องคนต้องช่วยกันแย่เลยนะฮะจึงจะทําอะไรกันมาได้ทั้งอย่างแต่เวลาเราเรายกย่องเราไปยกย่องคนเดียว มันก็เหมือนกับการเรียบเรียงประวัติศาสตร์โดยเ ว, ว่าประวัติศาสตร์ราชสมัยนั้นราชสมัยนี้ก็เหมือนกับท่านทําองค์เดียวแต่จริงแล้วกว่าจะเกิดผลอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยผลร่วมแรงร่วมใจกันม า, าสารส่วนใหญ่ก็นิรนามก็มีนามอยู่ไม่กี่คน นี่ก็คือก็คือลักษณะทางสังคมว่าเวลาพูดดีเนี่ยจะหยิบเอามาเฉพาะที่ที่ตัวต้องการจะพูด่า ง, างท่านดนจริงๆเลยมันเกิดขึ้นมาไม่ได้โดยลําพังตัวคนเดียวความสาเร็จในด้านการงานด้านสิ่งต่างๆก็อสร้างอะไรปิดผลที่ดีๆนะฮะที่จริงมก็เกิจดจากคนหลายหลาคนมันช่วยกันแต่เราจะพยายามพูด แต่เพียงเล็กน้อยนะแต่พอพอถึงความชั่วแล้วจะมีการละเลงละเลงคนอื่นก็ปล่อยฟ้าปล่อยฝนก็ไปด้วยบางทีก็หมาหมดเลยจะเป็นคำที่ยิงมันสามสิบกว่าปีเลยนะฮะเอามามันมันนานมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเดินมินระบาดผ่านหน้าวัดสามปาัญาปัิสิเลยคนก็ว่างานซื้อถิม คุยภาควิจารนะฮะผู้หญิงก็นั่งคุยอยู่ทำผลดังลั่นเนี่ยนะอ่านข่าวหรือพิมพ์มันมันเกิดจะประ ร, รุข่าวหรือบอกพระเดี๋ยวนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวนี้นะฮะกานข่าวซรือพิมพ์พระทําผิดรูปเดียวอะไรเงี้ยแต่แก่ว่าพระเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้มันหมดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้มันหมดโลกเลยนี่คือคือลักษณะของการขาดความแบง่งแยกขาดการแบ่งแยก แสดงว่าไม่มีความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเรื่องอะไรที่ควรแบ่งแยกกรบก็แบ่งแยกที่ว่าจําแนกตอบจําแนกแบ่งแยกคล้ายๆกับที่พู้เจ้าทรงจาแนกกรรมโดยเราพูดรวมรวมเนี่ยพูดรวมรวมว่าคนทาดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วนั้นผูร้รวมรวม แน่นอนที่สุดต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทําดีในขณะนั้นจะได้รับผลดีตลอดไปหรือว่าตายไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ตลอดไปที่ตรงจําแนกว่าสี่สี่ประเภทนะฮะในในจุลกกับมารวิพังกสูตหมายความคนที่ทําชั่วอยู่ในขณะ น, นี้ตายไปแล้วตกดุรกก็ได้หรือตายไปแล้วบังเกิดในสุกติก็ได้แต่ การการตกนรกไม่แน่ว่าอาจจะเป็นบาปกรรมตรงนั้นขณะนั้นก็ได้หรือบาปกรรมเกิดขึ้นก่อนหับจิตก็ได้หรือบาปกรรมในอดีตที่ตามมาให้ผลก็ได้มันมั น, ม, นมันมีกรรมทั้งสามกรร ม, มนะแต่ที่แน่นอนที่สุดว่าเขาบังเกิดทุกขติเพราะกรรมชั่วแต่แม้ว่าหลักที่ยืนยันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ากรรมตัวไหนมันก็ต้องว่าในรายละเอียดอีกเขี้ยวหนึ่งนะไปยืนยันกคลงโครงไปไม่ได้อะ ทีนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะเกิดในสุกติก็ได้การเกิดในสุกติแน่นอนที่สุดไม่ใช่เพราะกรรมชั่วที่เขาก็ทำในขณะนั้นแต่อาจจะเกิดจากกรรมดีในอดีตหรือกรรมดีที่เกิดขึ้นก่อนดับจิตสิ่งที่ยืนยันผลของความดีก็คงยืนยันนะฮะแต่ากรรมไหนละ่ะอดีตกรรมหรือว่ากรรมที่เกิดขึ้นก่อนดับจิตก็อีกเรื่องหนึ่ง เรมเหมือนคนดีคนชั่วเนี่แหละว่าคนดีคนเ อ, อสมมุติว่าคนเนี้ยเป็นคนชั่วแต่ไม่ได้หมายความเขาทําชั่วอยู่ตลอดไปคนนี้แต่ถูกตําหนิตลอดไปก็ไม่แน่แล้วครับวันดีคืนดีเขาไปทําความดีขึ้นเขาก็ได้รับการยกย่องได้ไม่ใช่ว่าคนนี้ต้องผูกขาดตําหนิอยู่ตลอดไปเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของเขา เกิดขึ้นจา ก, การกระทําของเขาหรือเขาเป็นคนชั่วเพราะเขาทำชั่วแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นจา ก, การกระทํำมาหลังก็ทําทความดีก็เป็นคนดีได้รับการยกย่องสนรเสริญได้ยศได้ตาํตาแหน่งได้ลาวสกฤชื่อเสียงได้นี่คือการจําแนกการแบ่งแยกเรียกว่าวิพัฒชาพยากรการจาแนกแบ่งแยกเรื่องทั้งหลายเนี่ยให้ชัดเจนทีนี้ การพูดหลักเนี่ยมันจะต้องมีที่ไปที่มาจะเรียกว่าพูดยังมีหลักมีฐานมีที่ไปที่มาหรือว่าวาทะของนักปราชญ์หรือว่าเหตุผลที่ใช้ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งสังคมเราในปัจจุบันที่น่ากลัวมากก็คือใช้ความเห็นนะนะใช้ความเห็นที่เป็นเรื่องน่ากลัว ปัญหาที่หวือหวาอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ ย, ยหลายวันนะคือปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหาความเห็นไม่ใช่ปัญหาความเชื่อปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยการใช้ความเห็นการใช้ความเชื่อไม่ใช่เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันอะไรเลยแต่เราต้องปัญหาที่แสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็พิสูจน์กันในแง่ของความของข้อเท็จจริง ภาษากฎหมายก็จะใช้คำอยู่สองคำบอกปัญาข้อเท็จจริงกับปัญาข้อกฎหมายว่าตรงนี้กฎหมายว่าอย่างไงตรงนี้กฎหมายว่าอย่างไงมันก็เทียบเคียงกับกฎเกณฑ์กักฎหมายแต่เนื่องจากเราเราใช้อารมณ์นะใช้อารมณ์จึงใช้ความเห็นก็ใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อก็ลมเพลิงลมพัดแนะ่ๆความเห็นก็เหมือนกันลมพลงลมพัดเพราะว่า ปัญญาเนี่ยฮะปัญญาเราถ้าไม่มากพอเนี่ยเราก็อธิบายอะไรบางจุดนี่ไม่ชัดเจนความเชื่อของเราก็ขึ้นตรแหล่งความเชื่อหรือพื้นฐานในการเชื่อของเราบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดไม่ใช่ข้อยุติแต่ไม่ใช่ผิดด้วยประ ก, การั้งปวงนะฮะเพียงแต่ว่าตรงนี้จะต้องมีการแบ่งแยกแบ่งแยกออกไปว่าอะไรมันเป็นอะไร พนักอีกแนวหนึ่งเป็นสิ่งที่ส่งสอนว่าจะต้องถามให้ตอบคือใช้คำว่าปฏิปุจฉาการสอนของพุทเจ้านั้นเราจะเห็นว่าบางจุดบางกรณีที่เราเคยพบไปนะฮะเราเคยพบเช่นเช่น ในพุทธเจ้มงค์คนคาถานานมาแล้วรู้สึกหลายปีครับพุทธเจ้าที่พเจ้าทรงตอบปัญหาท่านสัจจะนิคนให้เราสังเกตัวตรงนั้นพระเจ้าไม่ได้ตอบเลยเพียงแต่ใช้คําถามถามเขก็ตอบมาถามกลับตอบมาถามกลับตอบมาถามกลับตอบมาถามกลับแล้วก็กลายเป็นคําตอบเองท่านเรียกว่า ถามกลับหรือย้อนกลับปฏิบูชาคือถามกลับไปส่วนมากแล้วจะชายกับคนซึ่งถือว่าตนเองเก่งตนเองดีมีความรอบรู้สามารถฉลาดอะไรต่างๆแต่คนประเภทนี้ถ้าเราไปอธิบายแล้วเนี่ยมันเป็นการให้ข้อมูลกับเขาก็าก็เถียงได้เรื่อยๆนะฮะเถียงได้เรื่อยๆตนมองได้คล้ายกับคนที่เขาด่าเราแล้วถ้าเราด่าตอบเนี่ยเขาด่าเราได้เรื่อยๆ เพราะว่าการด่าของเรานันคือการเพิ่มข้อมูลในการด่าให้แก่เขาวิธีแก้ก็คือไม่ดา่าเขาปล่อยก็ด่าคนเดียวไปเดียวหมดภูมิไปเดียวก็เหนื่อยเองไปเดียวเขาเขาไม่ก็มีคําจะด่าเองไะก็ด่ายังไงก็ไม่รู้สึกไม่เดือดร้อนแล้วในที่สุดเขาจะหยุด เพราะวันที่ที่ที่มันมีปัญหาก็คือมีการด่าและด่าตอบเราก็ให้ข้อมูลไปเรื่อยกระดาษกลับไปกลับมาวิธีคาเดียวนะโยนไปโยนมาเยอะตั้งนานมันก็เล่นลูกบอลโยนกลับไปกลับมาวิธีของพุทธเจ้าจึงใช้ในกรณีนี้นะฮะในกรณีที่ไม่ดีเ น, นี่ยไอลองสังเกตว่าทรงใช้โอการไม่โต้อตอบแต่ในกรณีของกรรมความพูดความเห็นการคิดเห็นทรงใช้วิธีถามให้ตอบ แล้วก็เหมือนกับคราวหนึ่งอ่ะไฟรัตเจกุมานไฟรัตเจกุมานเนี่ยเขก็สะสมข้อมูลนะฮะคือคนที่คิดล้างผลาญพระพุทธเจ้าเนี่ยม า, มาติดตามสังเกตก็ยามจับพยายามจับแล้วก็พอ ร, รวบรวมข้อมูลคิดว่ามากพอที่จะล้างพุทธเจ้าได้แล้วนะฮะจะเข้ามาโต้พระพุทธเจ้าก็มีอยู่เรื่อยตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปี ที่เคยเล่าในปีที่พระเจ้าประชดในี้เจ็ดสิบเจ็ดที่ท่านอุบาลีครุหัพดีมามาโต้มันก็มื่ก็นั่นนะสะสมสะสมเรื่องที่เกี่ยวกับพเจ้าไว้นาน แ, แล้วคิดว่าตัวนี้คือจุดอ่อนแต่โต้ตอบพระเจ้าลงไปไม่ได้แล้วก็มาโต้ตอบแต่ผลท้ายก็กลับมาเป็นทุกศิษยอภัยราช ก, กุมารก็มีลักษณะอย่างนี้น อาภัยราช ก, กุมารคือคือจะลืมอภัยราช ก, กุมารเป็นเป็นชาวคลุมราชครึกแล้วเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพ่อนั้นเป็นอุบาสกใหญ่เป็นลูกสิทธุพุทธเจ้าแต่ว่าลูกชา ย, ยไม่เล่นด้วยนะฮะตอนนั้นยังไม่เล่นด้วยเป็นลูกศิษย์ท่านนิครด น, นาถบุตรอาจารย์ก็เรียกมาสั่งให้ไป ให้ไปถามปัญหาหลวงพ่อตาเจ้าแต่มันมันมั น, ม, นมันมีวิธีที่ตลบตลบเขาเรียกว่าเบนทกะปัญหาเบนทกะปัญหาคือปัญหาเมื่อกบแพะชนกันหมายความว่าทั้งสองคำถามที่เอามาชนกันเนี่ยถตาเราปฏิเสธคำถามใดคำถามหนึ่งมันจะโดนตลบมันจะโดนตลบด้วยอีกคำถามหนึ่ง ปัญหาเราเนี่จะมีอยู่เยอะถ้าท่านอ่านมิลินปัญหานะฮะอ่านมิลินปัญหาจะเจอแนวเนี้ยยึบมีเยอะหรือถ้าว่างๆนะฮะถ้าว่างๆเออน้าเอามาอ่านนะนะโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่มิลินปัญหาเป็นก็ถือว่าสุดยอดคําถามนะฮะสุดยอดคําถาม ท, ที่มีการถามมาแล้วเป็นการพูดระหว่างนักปราชญ์กับนักปราชญ์ มีวัคค์ที่โตอตอบทั้งหมดเป็นสามรอกว่าวัคแหลมคมมากนะฮะแหลมคมมากซึ่งโครงโครงสร้างก็ลักษณะเดียวกับกระเพ่อพระพเจ้าทรงต่อไปได้ ก, กลุ่มหน่ก็ถามในแง่ของวาจาถามว่าพระพุทธเจ้านั้นพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานสละสลวยสเสมอไปหรือ หรือว่าพระพุทธเจ้าบางทีก็พูดคำหยาบเหมือนกันซึ่งหมายความมาท้าพระพเจ้ารักษงว่าพระองค์พูดเฉพาะคำที่ไปเราะ อ, อ่อนหวานตลาดสะลวยอาไปไ่กูมากนจะย้อนว่าเอา้าถ้างั้นทำไมไปด่าพระเทวทัตอ่ะทำไมไปด่าพระเทวทัตว่าเหมือนก็กิกนคูดนะเป็นทำบาปรกรรมหนักเนี่ยจะต้องตกนรกยังถือว่าเป็นคำหยาบ คือถ้าบอกทําไปพูดคําหยาบเนี่ยก็จะย้อนถ้าบอกว่าพูดเฉพาะคําไพโรเขาก็จะย้อนพอบอกว่าพูด ค, คาําคำหยาบว่เ อ, อ้าก็เหมือนไอ้ชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาพูดคําดีบ้างไม่ดีบ้างเห็นว่าบอกว่าพูดอ่อนหวานเขาก็ย้อนพูดว่าพูดคําหยาบเขาก็ย้อนก็ย้อนได้ทั้งสองทั้งสองขันตรงนี้ตอบไม่ได้นะฮะคือตอบไม่ได้มันต้องถามให้คิด คุเจ้ก็ถามว่ามันแล้วแต่กรณีเอมันไม่ออกทางไหนเลยไม่ออกสักคำถามหนึ่งก็แล้วแต่กรณีก็เสร็จแล้วก็ถามราชกุมารคือราชกุมารเนี่ยตอนตอนเข้ามาก็ามาถามปัญหาเนี่ยนี่บนไปในวังไงนะฮะเดีวเอาลูกม า, อ, าอุ้มมาปรรจักโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเลสวัตีนักปราเรเจโตเนี่ยมันมันมั น, ม, น, ม, นมันมีเครื่องมืออย่างหนึ่งเขาเรียกเลสวัที ก็แล้วแต่ใครจะใช้อะไรนะเป็นเครื่องมือในการนำมาโต้เช่นสมมติว่าตั ว, ต, ว, ต, วตัวเองเห็นผ้าไม่ดีจะหยิกลูกให้ร้องแล้วก็อ้างว่าเด็กร้องพอเลิกก่อนก็ลูกมาลูกมามาอุ้มไว้พูะเจ้าก็ใช้เด็กตรงนั้นเลยใช้เด็กมาถามรัชกกุมารบางครั้งเนี่ย อประโหรด น, น้อยอาจจะหยิบเอาก้อนอีกก้อนกวดก็อนีบนี่เข้าไปในปากมีมีปะบอกบอกมีแล้วตอนมีแล้วทํำยังไงอ่ะ้ากุม อ, ออาภัยราช ก, กุมารก็บอกว่าท่านก็ต้องต้องต้องพยายามอ้าปากลูกแล้วก็เอานิ้งองแล้วกดดึงขึ้นมาพระเจ้าบอกถ้าทำอย่างนั้นก้อนอิด ก, ก็อนีิมันก็บาดปากลูกกัลยรกุมารบอกมันจําจเป็น จำเป็นเน่ยต้องทำาไื่ช่วยชีวิตลูกเอาไว้พู้เจ้าบอกกัตถาคตก็เหมือนกันเนี่ยทีบางครั้งจำเป็นจะต้องพูดคำหนักมากคำหยาบๆยาก็เพื่อรักษาคนเหล่านั้นเอาไว้นะเช่นการดุในแง่ของวิ น, ยนัยมันต้องดุนะฮะในแง่ของศีลของวินยัยพูะเจ้าดุวันทีก็ดุแรง ก็เหมือนกับการต้องดึงก้อนอิด ก, ก้อนหินํามาจากปากของเด็กที่มันกลืนเข้าไปนะฮะดีกว่าปล่อยให้ตายก็ต้องดึงออกมานี่คือใช้แนวเขาเรียกว่าปฏิบุติาคือถามกลับหรือเบือนกับที่ปยญามิรินกับพนาเกษตครั้งแร ก, กนะฮะใจกัางครั้งแรกเลยที่จะสงไขบริเวณ ปรญาเมลินนั้นก็เที่ยวโต้ตอบเที่ยวอะไรกับพระมาเยอะไปหมดแลยพระนักเกษรยังหนุ่มนะฮะเป็นพระอายุยี่สิบปีแต่ น, นั้นเองแต่ก็เป็นพระหาหนุ่มๆ ม, มากบางทีท่านท่านตอบท่านท้าไม่ถามปัญหายนยวนเนี่ยพระพระต้องหลบนะฮะตอบไม่ได้เนไปถามพระอายุบางว่าทำไมพระต้องบวช อายุบาลท่านบอกว่าก็บวชเพื่อจะปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อทำนิพพานไน้แจ้งนะฮะสํานวนจํานวนนั้นนะ่ยสํานวนหลักพิยามิรินก็ตั้งปันาหถามว่าแล้วไม่บวชจยทํำนิพพานได้เปล่าอายุบาลก็บอกว่าได้กทดด็ทําได้เหมือนกันบอกเอาแต่ทั้งนั้นบวชทําไมก็เป็นฆราวาสเป็นดีกว่าบวชแล้วลําบากเปล่าเปล่ว่าไม่ใช่นะพระคุณเจ้านะ อ๋อไม่ใช่อ่ะที่ว่าคุณเจ้าต้องบวชเป็นบาปกรรมชาติก่อนนี่แสดงว่าชาติก่อนคงเป็นโจรไปเจ้าล้นเผาชาวบ้านเผาบ้านชาวบ้า น, า บ, านบาปกรรมในชาตินี้ก็เลยไม่มีที่อยู่จะใส่ตามคนไม้ข้าวปลาก็ไม่มีจะกินต้องมาไปอุ้มบาตขอชาวบ้านเขาป้านุ่งผ้าห่มก็ไม่มีต้องอาศัยชาวบ้านเขาแสดงว่าท่านท่า น, ท, า น, ท, านทําบาป อะไรอาเป็นโจดเผาบ้านกาวบ้านมาเนะไรเพราะยุบาลท่านไม่ตอบจะถามกวนไม่จะเล่นเลยนะถามกวนไม่จะเล่นแต่พอมาถึงพระนาคเสดเนี่ยท่า น, ท, า น, น, ท, า น, นท่านเล่นท่านเล่นทันทีเลยคือเจอเจอถึงนี่เล่นทันทีก็เรียกว่ามันไม่ได้มไม่ได้ตกลงอะไรกันก่อนนะฮะแต่ว่าถามทันทีพราะคุณเจ้าเลยชื่อว่านาคเสด นาคาเกษนก็ถวายรพรมามาก็ชื่อว่านาคเกษนบ้างหมาเสนบ้างสิยงเส็นบ้างสุรเส็นบ้า ง, ง, าา ง, าางแล้วแต่ใครจะเรียกกันนะฮะเขาเรียกกันหลายชื่อแต่ว่าตอนบวชมาเนี่ยเขาเรียกว่านาคเกษนแล้วก็ถามอะไรจิวานาคาเซ็นจับธีระชินเลยนะฮะจับผมผลเล็บฟันหนังเลยจับ <c oughs> จับปากตาจมูกหูมาเรื่อยเรืยธีระชิน ถามว่าผมหรือชื่อวนาเกษตรหูหรือชื่อวนาเกษตรจมูกหรือชื่อวนาเกษตรกระถามมาเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่หน้าเกษตรนักทีนี้นพระน้าเกษตก็ปฏิเสธเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มารู้ยาวเลยตอนเนี้กือท่าท่านจับอวัยวะทิละชิ้นมาถามปยญญามิลินก็เห็นถ้านึกว่าได้เปรียบนะท่านท่านคิดว่าท่านท่านได้เปรียบ ก็บอกให้พวกอามาตะพวกพระสงฆ์ฟังดูบอกก็ดูซิพระคุณเจ้ารูปนี้พูดจาไมา่อยู่กระร่องกระร้อยโกหกแต่กี้นี่บอกเขาชื่อว่านาคเกษน์พอถามอะไรชื่อว่านาคเกษนบอกไม่ใช่นาคเกษนพอุจาอย่างนี้เป็นการโกหกกับรรกรอกพนาคเกษน์นั่นก็ไม่ว่าอะไรเราว่ามหมาบาพิษนี่มาสถานที่นี้มาด้วยอะไรมาด้วยรถ อาพิธยืนยันนะว่ามาในรถมาด้วยรถอ่ะอะไรชื่อว่ารกถจับรถบันทีเลยชิ้นถามอะไรแเนี่ยก็ไม่ใช่กะไม่ใช่ไม่ใช่พระนาเกษรก็ย้อนรอยเดิมย้อนรอยเดิมในสุดพระยาเมลินทัานก็ยอมบอกอ้าพวกขุณเจ้าเล่นถามทีไรชิ้นมันจะเป็นรถได้ยังไงเรารถมันต้องรวมทั้งหมดเนี่ยพระนาเกษรก็เหมือนกัน่ะโยมาถามทีไรชิ้นอย่างนั้นมันจะเป็นน้าเกษรได้ยังไงมันต้องรวมทั้งหมดถึงเป็นหน้าเกษรขึ้นมา นี่คือแนวเขาเรียกว่าถามกลับให้ตอบเป็นการใช้โดยการใช้สําหรับคนที่กระด้างที่ดื้อดึงโดยเฉพาะพ่อแม่นียฮะพ่อแม่กับลูกนี่อย่าไปสอนอย่าไปอบรมอย่าไปอธิบายมากใช้ถามออนโดยเฉพาะเด็กสมัยนีย้ใช้ถามออนถามกลับไปเรื่อยเถามกลับไปดรื่ถามให้เธอคิดให้เธออธิบายให้เธอชี้แจงนะแล้วเราก็ฟังไปแล้วถามกลับไปเรืย เป็นการฝึกไห้ลูกได้คิดด้วยแล้วก็เข้าใจปัญหาต่างๆโดยมองแง่มุมต่างๆชัดเจนแล้วเธอจะจำน้นคองเธอเองถ้าถ้าถ้าผิดนะครับผู้เจ้าจะใช้แนวนี้แนวถามย้อนกลับสำหรับคนบางคนน่นะฮะไม่ไม่ใช่ทุกคนหรอกคือคนบางคนที่เราจำเป็นจะใช้วิธีถามย้อนกลับก็ถามอีกแนวหนึ่งท่านเรียกว่าทปัญญะพยากรณ์ คือหมายความว่าเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเน่นะเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าเรื่องนอกเรื่องพูดไปก็ท่านนั้นเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ให้หยุดพูดพักไว้คือตั้งไว้ไม่ได้หมายความไม่ตอบแต่ว่าวุ ธ, ธิภาวะเวลากาละเทศะอะไรต่อเลยมันไม่ไมอานวยใหตอบมันเรื่องมันอาจจะยาวและต้องอธิบายอีกแนวหนึ่ง ถ้านะพูดโดยแนวนี้มันก็ไม่เกิดความเข้าใจก็จะพูดหรือพักเอาไว้ท่านเรียกว่ถาถับปัญญาจากจุดนี้ทาทำให้บางบางทีก็เกิดเป็นปัญหาที่คนมกเรามองพูดว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ท่งพยากรณ์ที่จริงไม่ใช่ไม่ท่งพยากรณ์แต่ว่าถ้าพูดต้องพูดอีกในยะหนึ่งซึ่งหมายความว่าวุธิภาวะของผู้ฟังเนี่ยมันไม่พร้อม ที่จะไปที่บายอย่างนั้นแล้วแกถามมาทําไมทําไมเราเสร็จไม่ต้องพูดเลยถามทําไมได้เรื่อยๆเนี่ยฮะถามทําไมได้เรื่อยๆเมื่อคําคถามเด็กบางอย่างเนี่ยฮะเราก็ต้องรอไว้ก่อนรอพุทธิภาวะของเธอก่อนเธอโตเราก็ค่อยพูดทีหลังตอนนี้พูดไปก็อย่า ง, ง น, นั้นแหะเธอยังไม่เข้าใจเด็ๆๆๆๆกเล็กเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆเนี่ยฮะบางทีก็เธอก็ถามต่อทําไมทําไมทําไมเราตอบได้ไงทีนี้ แกก็ถามทำไมเรื่อยเราก็ต้องพักไว้ก่อนก็ทรงสอนให้ดูว่ากลุ่มคนที่เราพูดด้วยถ้าสามารถใช้ใช้สี่เรื่องนี้นะเหมาะสมสอดคล้องแกกรณีนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรเกการพูดด้วยมีที่ไปที่มามีหลักมีฐานมีที่อ้างอิง นะไม่ได้ใช้ความคิดความเห็นของตัวเองถ้าเรามองย้อนดูตำรับตำนาก็อยากจะให้ให้ท่านทดลองดูก็ได้นะอ่านหนังสือระยะสิบกว่าปีมานี้นะฮะสิบกว่าปีมานี้ อ, อาจจะย้อนไปอีกสักสี่ปีก็ได้แล้วก็อ่านหนังสือที่ย้อนหลังไปกว่านั้นนะฮะนานกว่านั้นเราจะเห็นว่าหลักการเขียนนี่จะต่างกันปัจจุบันจะใช้ ผมมีความเห็นว่าผมมีความเข้าใจว่าผมเชื่อว่าผมคิดว่าผมรู้สึกว่าก็จะแทคําคอย่างนี้นคาเป็นปัจเจกชนในแง่ของการอาธิบายอะไรมันไม่มีน้าหนักอ่ะมันเป็นความเห็นของปัจเจกชนเพราะว่าสิ่งต่างนั้นเป็นประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดการยาวนานเรื่องแต่ละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะที่เราจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วคนบางที อย่า ง, งวันก่อนอะไรเด็กเด็กอะไระไรายการมองต่าง ม, มุมเด็กนักศึกษาเขาบอกว่าผู้ว่านั้นก็เหมือนกับบอยนะจะต้องอยู่ที่ว่าเจ้าของร้านจะเลือกใช้เมื่อไรไอ้ตัวเองภาษียังไม่เสียหรือปากจัดไระเกเด็กอะไรนี่ผู้ว่าไม่ใช่บอยหรอกผู้ว่ามันผู้บริหารบ้านเมืองมันมีอำนาจในการสั่งการ มีอำนาจในการบังคับจกกับกลุมคุมขังอะไรแต่ไรได้สั่งการได้ไม่ใช่บอยๆมันก็วิ่งในรับใช้จกๆ อ, อ, อ, อ่ะคือเปรียบเทียบแรงเกินไปมันขาดความเคารพแล้วขาดความรู้อถึงสถานะของคนอย่างเงี้ยว่าเขามีอำนาจนะที่ยังไงบ้างอุบามามันมันมันมันรู้สึกว่าเลอะเกินนะฮะคนคนเนี่ยนั่นก็คือใช้ความผิด ความรู้สึกคนตัวเองฮแกล้งกากับตัวเองเป็นอภิสิทธิชนนึกจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ไม่นึกว่าคนรุ่นนปู่น ค, คนรุ่นพ่อแล้วเขาดูแลบ้านเมืองตำแหน่งนี้เขดูแลบ้านเมืองเป็นร้อยรอยปีแล้วนะรักษาบ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองเป็นร้อยรอยปีแ ล, แล้วขาดความเคารพขาดความรู้นะฮะขาดความรู้แล้วก็ใช้ความเห็นไปใช้ความเห็นมันก็มีปัญหาทำให้คนฟังแล้วก็รู้สึกเสียความรู้สึก ดังนั้นออการการพูดอะไรเนี่ยท่านท่านท่านมองเนี่ยหลักฐานหลักฐานในนี้แง่กฎหมายกฎหมายว่าอย่างนี้ออประศักประวัติศาสตร์ว่าอย่างนี้หลักการทางสังคมว่าอย่างนี้ศาสนาว่าอย่างนี้ธรรมะว่าอย่างนี้ก็ว่าไปนะว่าไปอย่างนี้ต้องมีที่ไปที่มาที่ชัดเจนทําให้เรื่องเหล่านั้นมีน้ําหนักคือเราไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะ เราไม่ต้องรับผิดชอบเองแต่ถ้าเราพูดเองเนี่ยเราต้องรับผิดชอบแต่เร า, เายกย่องท่านท่านท่านที่เป็นเจ้าของความรู้ที่เป็นหลักในเรื่องนั้นนั้นเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบเองเมื่อการแสดงธรรมะของพูจ่าเนี่ยถ้าเราว่าเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเราต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเราว่าตามที่ผูเจ้า ว, ว่าเราทำหน้าที่ในการถ่ายทอดที่เ ร, เรียกว่าแสดงนะฮะ คือพระเจ้าทรงแสดงว่ายัางไงเราเราก็เอามาถ่ายทอดอย่า ง, งานั้นเราไม่ต้องรับผิดชอ บ, บชพระเจ้าจะรับผิดชอบของท่านเรารับผิดชอบที่เราอธิบายผิดแต่นั่นเองความดีความงามมาอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าทีนี้คนคนที่เราพูดด้วยก็ทรงสอนดึงคนสามกลุ่มนะฮะสามกลุ่มก็คนบางพวกเนี่ยคุยกันไปคุยมาแล้วก็เลื่อนประเด็น มาความกบเกินประเด็นหลบพูดเรื่องหนึ่งก็ไปหลบไปพูดอีกเรื่องหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งก็หลบไปพูดอีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นที่พูดพูงนี้พูดยากนะฮะพูดยากลื่นลื่นแบบปลาไหลในวินัยเนี่ยเขาปรับอบัตเลยมีพระาชนะพระชนะที่ตามสเสด็จพระพุทธเจ้านะ่ยพระชนะท่านท่านค่อนข้างจะ อัตตาท่านค่อนข้างใหญ่นะครเพราะว่าเป็นลูกน้องคนสนิทติดองคพระพุทธเจ้าเพรานัใครว่ากล่าวตักเตือนอะไรท่านไม่ได้ป่านถือว่าเด็กรุ่นหลัง น, ะนั้นนี่คนอื่นเป็นเด็กรุ่นหลังไปหมดมีปัญหาบอสมควรแต่ว่าที่น่าสังเกตคือท่านท่านท่านไม่ทําอะไรแรงๆนะฮะท่านไม่ทำอะไ ร, รนะไอยอะไรแรงๆอาบัติที่เป็นเหตุ ที่ท่านที่ท่านเป็นต้นเหตุอย่างมากก็แค่ก็แค่ปาจิตติอาวัดไม่ใหญ่หโทษโทษไม่ขหนักท่านทำผิดพระพุทธเจ้ า, าวินัยเนี่ยเ้าก็กำหนดได้ลงโทษสงฆ์ต้องสอบสวนเรียกกันไปสอบสวนใวน้ทรมกรางก็แวะตัว น, นี้ท่านอนกันคือนนนะการสอบสวนเนี่ยนะการสอบสวนเนี่ย อันี้ชาวบ้านนั่นซื้อผีนี่เก่งกันจังเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือเรื่องปัญหาทางวินัยเนี่ยเหมือนสั่งกระกำคล้ายกระบวตรนะฮะคล้ายกระบวตหน้าฮะโยมเห็นว่าพระก็ทํากันส่วนพระโยมก็มานั่งอยู่ข้างอานอกกันมีเกี่ยวอะไรหรอกมันเรื่องวินัยสงูงเรื่องวินัยพระท่านทำกันในสูงของพระท่านสอบท่านซักถามท่านอะไรแต่ตุองติ่แล้วก็ทํากั น, ก น, bey, กนในกระหมูของพระเบอรนี้มันพูดถึงไต่สวนสาธารณะภาษาคอมนิตนะฮะไตสวนสาธารณะเี่ เอาพระมาใต่สวนสาธารณะมีสิทธิ์อะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องวินัยของพระพระท่านทำกันท่านท่านเองกําหนดเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆวินัยท่านปิดประตูโบสถ์ครับชาวบ้านไม่เข้าไปเกี่ยวเมื่อการทําปฏิโมกข์นะฮะทำปฏิโมกเหนะ็นไหมทำทำปฏิโมกะนะท่านก็ทำส่วนๆกันแนคะ่นั้นผู้สังกกรรมพู้วินัยกรรมนะฮะแต่ว่าเวลาบวชญาตญาติโ ย, ย, ยมไปนั่งอยู่จริงแล้วยาติเดียวไม่มีส่วนอะไรเลย ไม้ส่วนเลยเลยจะโยมมีส่วนอย่างดีก็แค่ประเคนเนี่ยนะฮะประเกณฑ์ของพระบทใหม่ไม่มีส่วนอะไรส่วนจะท้วงติงจะห้ามปราบจะขอร้องอะไรไม่มีส่วนมันเป็นเรื่องสังเกรกรรมไม่สังเ ก, กรรมมันเหมือนกับเราเ อ, อไปดูเข้าไปชุมสภาเพื่อแทนราชดอนนะฮะแล้วก็แค่นั่งดูนั่งฟังแต่เดงมีสิทธิ์บวชไหมมีสิทธิ์ยกมือไหมไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีสิทธิ์อะไร ไม่มีสิทธิทาอะไรเลยเพราะเราไม่ใช่หน้าจีของเราฮะแต่เรานั่งฟังได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักกฎเกณฑ์นะกฎเกณฑ์ต่างๆของสังคมเน้อตามปกติแล้วเราก็ไม่รู้เลยประเด็นมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆคนพูดอย่างหนึ่งแล้วก็กบเกลือกแล้วไปพูดอีกอย่างหนึ่งถามอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระฉันนเนี่ยก็โดนอย่างนั้นอะถูกสมเรียกมา ทถามถามอย่างตอบอย่างถามอย่างตอบอย่างพระก็สู้ไม่ไหวเลยก็มาทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบัญญัติพระวินัยต่อไปเนี่ยภิกษุทําผิดแล้วสูุสมเรียกมาตักเตือนว่ากล่าวถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งปรับประวัติปัญจิตีต่อมาท่านเกิดเรื่องอีกสงเรียกไปสอบอีกท่านไม่ยอมพูดทีโอโหยุ่งเลยทีนี้ ไม่ผิดวินัยนะครไม่ยอมพูดรู้วินัยไม่ได้บัญญัติไว้ต้องบัญญัติวินัยใหม่อีกนะสงเรียกไป ว, ว่ากล่าวตักเตือนไม่ยอมพูดปรับประวัติประจิตีอีกท่านท่านตั้งเนี่ยท่านท่านท่า น, น, นมีลูกเล่นเยอะเลยหลายข้อก็สักเกือบเกืสิบข้อประชานาเนี่ยสร้างปัญหากันเกือบเกือบสิบเรื่องในกันแต่เรื่องเรื่องไม่ผ้าใหญ่อะไร และอีกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือเวลาพูดไปไม่ยอมพูดยอมพูดอาจจะอ้างเอึ้งอะไรแต่ไรก็ประสูตธใกล้ๆกันเนี่ยฮะประสูทธใกล้ๆกันมีปริภาชก ค, คนหนึ่งชื่อสรพัดเขาบวชใ น, น, นพระธรรมวินัยแล้วก็ศึกศึกไปถึงมันก็ กัวตัวเองจะเสียเลี่ยมัยนะฮะก็ไปยืดข้างนอกโอยธรรมะในศาสนาพูดเรารู้เรียบร้อยแตกฉานหมดไม่มีปัญหาอะไรเราแตกฉานหมดครับไปคุยอยู่ข้างนอกไปกุยอยข้างนอกพิงสุยยงงไปได้ยินข้าวก็กราบมากราบภูดนะพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับสั่งอรับทราบแล้วก็นิ่งนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรพอตกเย็นพุเจาไปเยี่ยม เยี่หนึ่งสำนักไงพวกนั้นก็ต้อนรับนะฮะเป็นสำนักปริภาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งแบบพวกภาษารีบุตรก่อนนะนะฮะพวกนี้จริงๆเป็นสมาธิไม่ไม่แต่ความความเห็นไม่ค่อยแรงหรอกที่จารับสั่งถาม่าท่านสารพะข่าวว่าท่านแตกสารในธรรมวินัยของศา ส, สนาพูดพื่งง่ายว่าของก็เรียกว่าสมณศักยบุตร ไม่ยความวันธรรมะในพุทธานาเนี่ยแตกฐานและจริงหรือไหนท่านแตกฐานยังไงลองบอกมาสิถ้าท่านอธิบายได้ถูกต้องสมบูรณ์เราจะได้อนุโมทนาถ้ายัางบกพร่องอยู่ก็จะพูดเติมให้เต็มะจะบอกให้เต็มก็เสนอเงื่อนไขขึ้นสองอย่างสารภาพก็โกมน้าไระยอมตอบด้วย ถามไม่อธิบายก็ไม่ยอมอธิบายถามไ ม, ม, ม่ตอบก็ไม่ยอมตอบไม่ชี้จแจงก็ไม่ชี้แจงก้มหน้าเร่อันนี้ก็ทําให้เพื่อนปริพันธ์ชคทั้งหลาย ก, ก็จับได้จับได้ว่าขี้โมโ้ อ, อ้วดนี่ะขี้โม้ อ, อวดแล้วก็พอพระเจ้าเสด็จกลับพวกนี้ก็ถูกถูกกระนาบใหญ่เลยถูกถูกเพื่อนําหนิ้กันไหญ่แต่อยากใจมองอีกมุมหนึ่งนะ มอยมุมหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านั้นตื่นตัวเรื่องเหล่านี้แรงมากเลยคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ระาศาสนาเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยแ ก, แก้ไขทันทีเลยอย่างที่เคยล่าว่ามีคนโจมตีตอนตอนเผยแผ่าศาสนาใหม่ๆที่เข้ากรุงราชครึกนะฮะพระเจ้าพรากลูกพรากเมียเขา ทำทำอะไรทำพ่อแม่ให้ปราติจากลูกทำสามทำปัญญาให้ปราตจักสามีเ อ, อ่อทำลูกให้ปราตจักพ่อเอาปุกระดมในกะรุงราชช์คือพระเจ้าได้ยินนส่งพระไปแก้ในกลางตลาดกันเลยนะฮะแก้กลางตลาดกันเลยไอ้ น, นี้ก็เหมือนกันนะครับพู้ตอนเช้านะฮะตอนเย็นออกไปแก้แล้วการกล่าวหาการใส่ร้ายตศาสนาพระเจ้าเสด็จไปแก้ ตรงนี้คือสิ่งที่ที่เรารุ่นหลังเนี่ยเราไม่รู้พุทธวิธีแล้วก็อวดดีอวดเก่งกันเอออย่าไปว่าเขาเลยนะปล่อยก็ไปช่างเขาไม่จริงหรอกก็ไม่ทาอย่างนั้นหรอกพุทธเจ้าท่านท่า น, ท, านท่านไม่นิ่งเลยนะฮะไม่ปล่อยไว้ยันที่เคยเล่าเรื่องเรื่องพวกนิครนมาสร้างกุฏิชิดประเชตวัน น, นะนะก็เริ่มตอกเสาต่นันเองเรื่องเลย ให้พระไปทูลพระราชาบอกให้เลิกพระราชาหนีไปกินดินบนเขาทรงภาษาริบุรบโมกขลานะไม่ยอมบอกเพราะพระเจ้ผผาเสด็จเองเนะี่ยพระเจ้าเสด็จเองไปแก้ปัญหาเสร็จเย็นวันนั้นเลยนั้นคือไวมากมากกว่าปัญหาเกิดที่จะเร็วมากไม่ปล่อยให้เนิรดช้าอืดอาดเล่นข่าวหนังสือพิมพ์กันตั้งเป็นเดือนๆนะฮะสมัยนั้นหนังสือพิมพ์ ไม่มีหรอกแต่ว่ายกตัวตัวอย่างให้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแกร่ระศาสนาตรงนี้เกิดขึ้นแก่พระธรรมนะเกิดขึ้นแก่ประธรรมเพราะอะไรเพราะว่าดูเอ๊ท่านท่านท่าน จ, จะเห็นว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าจะไปบุญไปไม่ได้นะฮะหมายความว่าเขาบอกเขารู้ทั่วถึงธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าคนยอมรับเขาว่าเขารู้ทั่วถึงทรรมแล้วเขาว่าอะไรเนี่ยก็ว่าก็าว่าไปเรื่อย เนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าี่ฉันแตกฉานแล้วคนก็เชื่อแล้วนำคนเข้ารกเข้าพร่งไปกันยุ่งใหญ่เลยเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใกล้ๆอีกนิดเดียวไม่ใช่นิดเลยนะนำคนตกนรกเป็นแถวเลยเนะี่ยพระเจ้าก็ต้องเสด็จไปเลยเสด็จไปใช้วิธีถามนะใช้ิธีถาม ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะถ้าแตกฉานดีแล้วก็จะนนโมธนาก็ดีจะมีนักหผยแผ่เพิ่มขึ้อีกคนหนึ่งแต่ถ้าไม่แตกฉานจริงก็จะเพิ่มเติมมันเกิดความสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าไม่ได้เรื่องไงนะนี่คือคือความรวดเร็วในการรักษาพระสัจธรรมให้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนรุ่นหลังรุ่น ต่อมาไม่เคยได้อ่านพระไตรปโดกแบบเจ็บใจเลยไม่อ่านพระไตยวิดกแล้วจะอ้างมาใจวรปิฎกอ่ะคือพระไตวิดิดกพระพุทธเจ้าไม่นิ่งเลยนะยันที่บอกว่าเวลาเขาติเตียนบรัตนาใจมีข้อแม้ว่าอยากโกรธมีข้อแม่เราเนี่อยากโกรธถ้าเขาพูดถูกต้องนะเขาพูดมาถูกต้องพูดถึงบรรตนาใจเนีถูกต้องก่อนมทนาเขาแต่พูดผิดต้องชี้แจง ต้องชี้แจงต้องอธิบายเกิดความเข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะสะสมบาปเป็นการป้องกันไม่ให้เขาทำบาปแล้วไม่ให้เผยแพร่บาปเพราะเขาไปพูดต่อไปคนเห็นตามคอยตามคนอื่นที่เห็นตามคอยตามก็จะนําพาคนเหล่านั้นไปให้ประสบบาปมากยิ่งขึ้นนั้นคือจิตที่อนุเคราะห์ต่อโลกไม่จะทำเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์แก่คนเหล่านั้นด้วย อย่างย่ ง, ยงท่านสารพาพที่ว่าเนี่ยหมายความท่านพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไม่เสด็จไปไปสอบถามให้ท่านยืนยันริษอะไรก็ตามท่านก็เลเพราตภาพเรื่อยๆพูดเรื่อยๆเด็เพื่อนก็เชื่อเล้วเข้ารก็งกันใหญ่สัตยธรรมก็จะทําปฏิ ร, ร, รูปเมื่อเกิดขึ้นกับพระศาสนานั่นคือลักษณะของพระศาสดาแต่เราก็ เราก็เรียนกันยังไงไม่รู้ก็ไม่ได้ดูนะฮะไม่ได้ดูว่าจริงจริงปฏิปทาเนี่ยมันมีแบบแผนมีพระเจ้าท่านนํำทำอยู่แล้วทั้งหมดแต่เราไปจะทําอะไรไม่ได้นะเขาหาว่าไ ป, ไปเถียงไอ้ชาวบ้านไปทับ้านเขาทำไมอะไรแต่ได้คนละเรื่องไงนะคนละเรื่องคือศาสนานี่ท่านท่านจะต้อ ง, งสังเกตศาสนานี่มันมีสองอย่างธรรมะธรรมะนั่นคือธรรมะปฏิบัติวินัยนั้นคือรัฐศาสตรต์คือหลักการบริหาร ระศาสนาบริหารบุคคลบริหารราาัฐศาสนาตึงจะต้องมีมาตรการในการป้องกันในการบำบัดในการบำรุงในการรักษาพร้อมทั้งชุดอันนี้เป็นปัญหาต้องบำบัดพระเจาคุาสลิไปบำบัดเป็นปฏิปทาเป็นเป็นพุทธจริยาเป็นแบบปฏิบัติที่ทรงวางเอาไว้เพราะคนประเภทพูดแล้ว กรบเกลือนหรือว่าพูดแล้วไม่ยอมตอบก็ก็อย่าพูดด้วยนะพูดด้วยก็มีปัญหาก็ไม่รู้จะพูดทำอะไรเหมือนกันไหนะเขาไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพูดแล้วโกรธะพูดชี้แจงอธิบายอะไรนิดๆห น, น, น, น่อยแล้วก็โกรธอันนี้เป็นเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในอาจจะถือว่าในวงการพูดเราก็ได้นะที่เรียกว่าธรรมะท ม, มวย ถ้พูดเรื่องอื่นพูดได้พูดธรรมะพูดไปได้พูดธรมาแล้วขี้โกรธหน้าตาดีๆพอพูดธรรมะแล้วหน้าแดงเลยแล้ก็แปลกเด้เงเนี่ยเรื่องอะไรธรรมะมันน่าจะเย็นนะพอพูดธรรมะแล้วก็หน้าแดง แ, แสดงปฏิกิริยาคือความโกรธออกมา รัแนวในในเรื่องคาถาวัตถุนั้นท่านจะเห็นว่าเป็นการมองถึงกลุ่มคนที่เราจะฟังหรือจะฟังและจะพูดด้วยเพราะสิ่งที่เขานำมาพูดนั้นมีเหตุมีผลพอแกการฟังไหมเรื่องนี้เขาเควรจะยืนยันโดยส่วนเดียวแล้วเขายืนยันหรือปฏิเสธนะก แ, แล้วแต่เรื่องนี้ควรจะจาแนกแบ่งแยกเขาได้พูดในแนวจะแนกแบ่งแยก เรื่องนี้ควรจะถามกลับแล้วเขาพูดในแนวถามกลับเรื่องนี้ควรจะยุติควรจะวางไว้ทันว่าถักไปในยากคือวางไว้นะฮะวางไว้หรือพักไว้ไว้พูดโอกาสต่อไปแล้วเขาก็พักไว้เขาไม่ยอมพูดกรณีถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรพูดด้วยและในขณะเดียวกันใน กลุ่มบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดก็ตามที่เมื่อเราไปสอบถามอย่างหนึ่งตอบไปอย่างหนึ่งถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งถามอย่างหนึ่งตอบอย่าหงหที่เราเรียกออกไปไหนมาตาว่าสงสอกอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะพูดด้วยก็เสียเวลานะฮะก็ราคาญด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถามแล้วไม่ตอบอีกกลุ่มหนึ่งถามแล้วโกรธมีปัญหาทั้งนั้นก็ควรยุติ ยุติเพราะว่าอะไรคือคือการพูดเนี่ยมันมันเป็นเมตตาวาจานะฮะถ้าท่างหลายได้ปรวจสังเกตคําพูดทั้งหมดเลยที่ที่ที่เป็นสุจริตทั้งหมดอนะฮะมันจะมีฐานในที่เมตตาวาจาหมายความว่าเราต้องเมตตาต่อคนที่เราพูดด้วยแล้วก็พูดถึงยิ่งพูดถึงคนจะต้องเมตตาทั้งสองฝ่ายหมายความมาถึงคนที่เราพูดถึง แล้วคนที่เราพูดด้วยคือพูดให้เขาฟังแล้วพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่พูดใด้คนหนึ่งฟังเราต้องเมตตาต่อคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ที่เราพูดถึงแล้วก็ทั้งผู้ที่เราพูดให้เขาฟังเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าพูดแล้วเขาพูดไปอย่างหนึ่งเรือนเปื้อนไปอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าไม่ยอมตอบมันมันไม่ได้เกิดอะไร ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะท่านมุ่งผลประโยชน์เป็นประการสำกันดังนั้นตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นกระถาวัตถุแต่ว่าเน้นที่คนเน่นะฮนะเน้นที่คนไม่ใช่เน้นที่เรื่องไม่ใช่เน้นที่เรื่องแต่เรื่องก็คงอยู่ในกรอบเดิมหมายความเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ชวนให้มักน้อยสันโดษ ยินดีในที่ส ง, งัดไม่ครุกคลีด้วยหมู่คณะให้กระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความเปลี่ยนพยายามจะเรียกว่าปรารกความเปลี่ยนในการตรวจสอบหลักการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วก็วิมุตติวิมุตติญาณัศนาไอสองสองข้อนั้นเป็น เป็นผลฟังยากหน่อยเ อ, อ่อถ้าเราดูแล้เนี่ยมันมันก็มีสิบนะฮะมีสิบจริงๆแล้วมันจะอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองมักน้อยก็ดีสันโดกก็ดีชอบสงัดก็ดีไม่เกี่ยวข้อง้วยหมดก็ดีอะไรแต่ไมันก็อยู่ในกรอบของศีลของสมาธิเอื้องกล่าวโดยสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือว่าพูดอะไรก็ใครก็ตา่าง สามารถลดโมหะคือความหลงสามารถลดโลภะคือความโลภสามารถลดราคะคือความกำหนัดสามารถลดโทสะคือความโกรธหรือความปุถุส้ายลงไปได้เป็นเกณฑ์ตัดสินง่ายๆนะเกณฑ์ตัดสินง่ายๆไ ม, ไม่ไม่ต้องไปสังเกตตรงน้นตรงตรงน้นอาจจะสังเกตยาก แนวเรื่องเหล่านี้คล้ายกับที่เคยบอกเรื่องเรื่องคํามารูปนามเนี่ยรูปรูปนามมันเยอะแยะไปหมดเลถ้าเราเรียนอภิธรรมสิบสองเล่มเนี่ยเจอคำามารูปนามเนี่ยเยอะเลยจำยากนะแต่ถ้าเราจับประเด็นเนี่ยมันจะง่ายนะจับประเด็นเอาประสาทสัมผัสเนี่ยเป็นเกณฑ์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ อะไรก็ตามที่เห็นด้วยตาได้ยินดูสดูดลมใยจมูกริมลิ้นถูกต้องด้วยกายสิ่งนั้นเรียกว่ารูปเอาอย่างนั้นเลยนะกี่แสนกี่ล้านช่างมันอะไรก็ตามที่เรารู้ได้ใจสิ่งนั้นเรียกว่านาม็นรูปรูปนามก็คือสิ่งที่เรารับรู้ด้วยประสาททั้ง6นั่นเองประสาทรัมปัตทั้งหกนั่นเองเป็นวิธีเข้าใจง่า ย, ายจับประเด็นง่าย พระเจ้าท่านท่านสอนจะมีวิธีจับประเด็นเจน็สมุดเรื่องจีวรเยอะเป็นหมดเกันนะครั บ, บแล้วท่าจะแยกเป็นสองประเภทว่าจีวรเรียกอาติเดกจีวรจีวรเหลือเฟือนะกับไตรจีวรจีวรที่อธิษฐานแล้วท่านจะบอกว่านอกจากไตรจีวรแล้วเหลือจากนั้นเป็นอาติเดกจีวร คือว่าเอาตรงนี้ออกไปก่อนแล้วก็ต่อต่อไปนับกี่ร้อยกี่พันก็ตามถือว่าเป็นอาติเดชจีวรอันนี้ก็เหมือนกันนฮะคือคือคือคนมันเยองนับยากพูดเรื่องอะไรกับใครที่ไหนยังไงก็ตามถ้าสามารถลดกิเลสลงไปได้ลดราคะลงไปได้ลดโทสะลงไปได้ลดโลภะลงไปได้ลดโภหะลงไปได้ หรือไม่งานก็เพิ่มนะเพิ่มศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ผู้เรื่องลดเรื่องเพิ่มไปตามเรื่องนั้นหรือคนนั้นนะนะควรจะพูดด้วยเพราะพูดแล้วมันเกิดประโยชน์ทั้งแก่เราและแก่บุคคลอื่นเป็นการถูกตรงตามหลักของธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาสมบัวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรม มีแต่ท่านสาวชุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ